สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่สี่สิบเจ็ดเรื่องเมื่อเหยื่อติดกับพระว จ, จะนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่เจ็ดข้อยี่สิบถึงยี่ิบสามสามข้อด้วยกันนะครับสุภาษิตบทที่เจ็ดข้อยี่สิบถึงข้อยีิบสามนางโอ้ลมเขาด้วยความหวานหูออดอ้อนจนเขาเสียทีเขาก็เดิน ต, ต, ต้อยต้อยตามนางไปทันที เหมือนวัวถูกจูงเข้าโงค่าเหมือนกวางก้าวไปติดกับจนกระทั่งถูกปักด้วยธนูลึกไปถึงตับเหมือนนก บ, <c oughs> บินไปหากับดักโดยไม่รู้ว่าความตายรออยู่ข้างหน้าพียนงครับนางแพทย์สยามนี่หรือหญิงแพทย์สยามหวานล้อมผู้ชายด้วยวาจาโอ้ลมใช้สเสน่ห์ทางคำพูดและ ในที่สุดนางก็สามารถจูงเขาหรือบังคับเขาด้วยสเสน่ห์ทางคำพูดนี่เองคำพูดของคนเราเนี้ยก็มีสเสน่ห์นะครับแต่คำพูดของหญิงแพทย์สยามีเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายในที่สุดยอมแพ้ต่อคำอ่อนหวานออดอ้อนคำพูดพะน้าพนอของนางในข้อย2ิบสองได้พูดถึงผู้ชายคนนี้ติดตามนางไปทันที คขามาไปทันทีนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากก็คือทำให้เราเห็นภาพว่าผู้ชายคนนี้เดิมทีนั้นไม่ได้มีความตั้งใจเรื่องนี้เลยแต่ในที่สุดในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็ตามนางไปทันทีหมายถึงการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้เรียนรู้มาจากเด็กว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีแต่เนื่องจากว่า นางแพทย์สยานี้หญิงแพทย์ยานี้วางกับตักว่าอย่างดีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมปัดใจพร้อมเวลาพร้อมสถานที่พร้อมสิ่งแวดล้อมพร้อมบวกกับคำพูดพนาพโ น, พนคำพูดหลอกลวงคำพูดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ล่อลวงเขาก็ตัดสินใจตามผู้หญิงคนนั้นไปพี่น้องครับ เป็นที่น่าสังเวชและน่าสมเพชเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นความน่าสงสารแต่ไม่อาจเห็นใจได้เพราะว่าก่อนติดกับนั้นเหยื่อได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนมาหลายขั้นตอนเลยทีเดียวตั้งแต่ข้อสิบสามนะครับร่อยมาจนถึงข้อที่ยี่สิเอ็ดแสดงถึงกลยุทธ์ของหญิงแพทย์สยากคนนี้ <c oughs> <c oughs> กลยุทธ์นะครับผมของทบทวนการจู่โจม ทางราคตัญหาอยู่ในข้อสิบสามการให้เหตุผลแก้ตัวในความตั้งใจของนางโดยอ้างาศาสนาบางหน้าในข้อสิบสี่การประจบประแจงใช้คำพูดพนอพนอในข้อสิบห้าการทำให้ความบาปนั้นกลายเป็นเรื่องน่ายินดีกลายเป็นเรื่องที่ควรสัมผัสแตะต้องควรจะมองเห็นได้ในข้อ1ิบ7กสิบเจ็ด และข้อเสนอที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงในข้อสิบแปดและการรับรองความปลอดภัยว่าสามีของตนนั้นอยู่ที่อื่นเป็นการรับรองอย่างไร้สาระไร้เหตุไร้ผลอยู่ในข้อที่สิบเก้าข้อยี่สิบยิ่งไปกว่านั้นครับในข้อย2ิบสองยีิบสามทำให้เรารู้ว่าพระคัมภีร์กรำลังบรรยายถึงการฆ่าครับโศกนาฏ ก, กรรมชัดเจนครับว่า คนหนุ่มคนนี้ได้ลังเลใจแต่ในที่สุดในทันใด น, นั้นเขาก็ยอมทำตามตัดสินใจพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าทั้งเราเห็นว่าความบาปนั้นนำไปสู่ความตายจริงๆในพระธรรมโลมบทที่หกข้อยิบสามครับเพราะว่าคาดจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูริต องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีคำพูดอย่างนี้นะครับว่าวัวโง่จะไม่เห็นการเชื่อมโยงระหว่างกับดักและความตายทำนองเดียวกันชายโง่ o, หรือคนโง่ o, ก็ไม่เห็นการเชื่อมโยงระหว่างความบาปและความตายเช่นเดียวกัน มองไม่เห็นกับดักและเชื่อมโยงกับดักกับความตายไม่รู้ครับกลัวโง่นั้นไร้ความคิดและไม่ตระหนักว่าตนเองกําลังเดินไปสู่แดนประหารเขาจะไม่รู้เรื่องเลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาว่าสิ่งที่เป็นกับดักนั้นเป็นภัยใกล้ตัวขเขาเี็นไหมครับคําว่า ignorant แปลว่าความไม่รู้ ignore แปลว่าเพิกเฉย ความไม่รู้หรือความเพิกเฉยต่อความรู้นั้นอันตรายจริงๆครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการไว้สมรรถภาพในการต่อต้านก็คือความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่เคยฝึกวิ่งในทางเพศไม่เคยฝึกวิ่งในในชีวิตในการต่อต้านในการทำสิ่งที่ถูกต้องในการวิ่งหนีนยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยที่ทาให้คนนนั้นนะครับ ต้องทนทุกข์และถูกทำลายสภาพของการทนทุกข์และถูกทำลายนั้นก็คือเหมือนกับสัตว์ที่รอคนเชื่อที่น้องครับการวางแผนจับชายหนุ่มคนนี้ถูกวางไว้อย่างดีถูกทอดเรื่องว่าอย่างดีครับเมื่อสถานที่พร้อมเวลาเหมาะสมและเซตติ้งต่างๆลงตัว <c oughs> ร่วมกับคําพูดเย้าวยวนพานอบนนอโดยใช้ สเสน่ห์ทางคำพูดหวานล้อมด้วยวาจาโอโลมปฏิลมทําให้ในที่สุดนางแพทย์สยามคนนี้สามารถบังคับผู้ชายได้จูงจมูกผู้ชายได้พี่น้องครับการใช้คําพูดเจ้ายวนพาทบนเราต้องระวังครับจากผู้หญิงที่มักจะใช้สเสน่ห์ทางคําพูดใช้สเสน่ห์ทางร่างกายหวานล้อมโอโลมจนกระทั่งผู้ชายนั้นหลงไปติดกับ ถูกยิงจนถึงตับตายครับผู้ชายนั้นยอมแพ้ต่อความอ่อนแอและออดอ้อนยอมตัดสินใจในที่สุดทาตามคาเชิญชวนของ น, น, นางโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นครับเหมือนวัวที่ถูกฆ่าเหมือนกวางที่ถูกยิงเข้าไปถึงตับเหมือนนกที่ติดกับของนายพรานน่าสงสารนะครับที่สัตว์ทั้งสามชนิดนี้วัวกวางนก ที่มันไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวมันจนกว่าความตายจะมาถึงมันพี่ลังครับคำว่าถูกยิงเข้าไปถึงตับตับนั้นเป็นอวัยวะสำคัญเป็นแหล่งรวมของชีวิตนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า seat of life S E A T C เป็นครับที่แปลว่าที่นั่งนี่แหละครับก็มีความหมายว่าเป็นแหล่งรวมชีวิตใครที่โดนยิงเข้าไปนะครับเข้าไปถึงตับก็มักจะตาย สัตว์ที่โดนยิงเข้าไปถึงตับก็มักจะตายครับเทีันกับคนไทยเราเรียกว่าตับแตกตายพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเวชและน่าสมเพชจริงๆมีคนพูดอย่างนี้นะครับว่าความเป็นผู้ใหญ่ก็คือการที่เขาจะมีความคิดว่าความพึงพอใจนั้นหลายหลายครั้งทีเดียวเป็นเรื่องหลอกลวงครับความพึงพอใจทางเพศก็ยิ่งเป็นเรื่องหลอกลวง ทางเพศนี้หมายความว่าเป็นความพึงพอใจทางเพศนอกเหนือการสมรสนะครับความพึงพอใจทางเพศนั้นที่นอกเหนือการสมรสนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะฉะนั้นนอกจากความพึงพอใจทางเพศยังมีความพึงพอใจหลายอย่างครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพทางด้านด้านด้านร่างกายของเรานะครับทางด้านความสุขสบายนะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นความพึงพอใจที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามันนําเราไปถึงความบาปหลายครั้งทีเดียวนะครับชีวิตสมรสของคู่สมรสบางคู่เนี่ยไม่สามารถพบกับความพึงพอใจได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขานั้นไม่รู้จักความพึงพอใจที่มาจากพระเจ้าเขาทําให้ครอบครัวเขานั้นเสื่อมเสียและแตกแยกเขาทําลายครอบครัวเขาเองโดยสแสวงหาการกระตุ้นภายนอกหรือสิ่งเร้าภายนอก มาแทนมาแทนที่คู่สมรสของเขาเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่นักวิชาการดางพระกัมภีร์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ครับในการสอนที่เตือนเราไว้ครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรทรงนำคู่สมรสทุกท่านและชายหนุ่มทุกคนรวมทั้งผู้หญิงด้วยครับที่จะไม่ทาผิดทางการเพศอาเมน